รเรียนจิตใจนะอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามอันดับแรกเลยชำระใจบุญคือเครื่องชำระใจนั่นที่เรามาประเทศอินเดียก็มาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แหละทุกอย่างเป็นเครื่องคดสอบพันธุ์เลยอย่าไปให้มันเข้ามาเป็นข้าศึกศัตรูต่อใจเราคำว่าทางดับทุกหรืออริยมรดับทุกก็คือดับข่าศึกศัตรู สิ่งที่มันจะเข้ามาทําให้ใจเราอะ่ะเป็นทุกข์ทำให้ใจเราว้าวุ่นคุนมัวคุนคิใดคิดบ่อยๆคิดมากๆ ม, มันก็มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอแ้ํานหนักเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะดับทุกข์ภายในใจิตใจจริงๆ เพราะฉะนั้นเรานี่แหละจะดับ ท, ทุกภายในจิตใจของเราก็คือเราต้องสำรวมจิตให้ดีเรื่อง้างนอกอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดเกิดแล้วก็ยอมรับถือว่ามันเกิดเหตุมันก็เกิดเมื่อเกิดแล้วเราม่ให้เข้ามาอยู่ในใจเราเรื่องนั้นก็ดับทำว่นดับในหัวดับไปจากใจของเราไม่ใช่ไม่มีอะไรไมเกิดนะ มือไเหตุปัจจัยมันมีมันก็เกิดสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านเข้ามันไปแต่ว่าเราเนี่อย่าไปเอามันเข้ามาให้มันลบลุ่มลางดวงจิตของเราอย่าให้มันมากุมลุมจิตของเราอย่าให้มันมาครอบงำจิตของเราอย่าให้จิตของเรามันเป็นทุกข์กสิ่งเหล่านี้ไม่ราเรื่องอะไรก็ตามควรจะทําังไงก็ทำไป แต่อย่าให้มันมาทําให้ใจเราเป็นทุกข์ได้ยิ่งคือดับทุกข์ง่ายไหมถ้ารู้วิธีแล้วง่ายนะแต่ทําได้ไหมก็ต้องฝึกเพื่อให้มันทําให้ได้แล้วเรามาที่นี่เป็นคือการสืบ ข, ของพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งต้องคลอดออมาจากท้องแม่เหมือนกันแต่ว่าภายในร่างกายของพระองค์เนี่ยคือพระไถยหรือจิต ที่มความมุ่งมั่นที่จะ บ, บักทุกภัยในใจของตัวเองให้ได้นี่มันต่างกันจากคนทั่วไปแบบนี้ร่างกายมันก็มาจากธาตุดินน้ําลมไฟเหมือนกันหมดไม่แตกต่างกันหรอกเอาใส่ไข่ปลาอาหารอาศัยธ า, าตุบางๆเข้าไปหล่อเลื้องเพื่อให้จเจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้แต่ความแตกต่างตรงที่จิตใจต่างหากจิตใจของผู้เจริญมุ่งมั่นมไม่รู้เกี่ยสงไข่ ต้องไปตั pues, ้งความปรารถนาในใจเฉยๆว่าเรานี่แหละจะเป็นผู้หนึ่งที่จะตัดสินเองตัดสินเองใน่ต้องร้คือเอทางดับทุกข์ด้วเองดับทุกข์ในจิตใจเองให้ได้จากนั้นจะช่วเหลือกับลูกทั้งหลายให้ดับทร์ไปด้วยกันเห้าด้และจะมันต่างกันตรงที่ต้างหมายของจิตใจความมุ่งมนในจิตใจนี้ต่าค่ะกเสียงร่างกายมันเหมือนกันหมดอ่ะมันจะเคลื่อนงามไม่เสลื่นไ่งามมันจะ อะไรมันก็มาจากธาตุาดินธาตุน้ำธ า, าตุลมธาตุไฟตายไปแล้วก็เป็นเท่าเป็นฐานเป็นขุนเป็นโขเป็นธาตุดินไปมันก็ไม่มีอะไรหนุนโดยต่อตัดแต่ความแตกต่างมันตรงที่ใจเนี่ยวมันจะอยู่ทุกข์ไม่มีทุกแต้องมีปัหาที่มันต่อต่อกว่ากันตอนมันมีทกขอยู่ล่เกิดมาแล้วก็อยู่ภายใต้มีแต่ความทุกข์ดนําอยู่ ชีวิตมันก็มีแต่ความทุกข์อะแล้วไปยืนจะทําเม่อมันมีแต่ความทุกข์อะแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นก่อนจะออกจากทุกข์ให้ได้ถ้าคิดอยู่ในจิตใจตัวนี้ก็ต้องเก็บอาาไอ้สงไข้ในธรรมดาสงไข้เนื้อไม่ช่วอยู่แล้วจากนั้นก็ทั้งคุดเดือดแล้วก็พูดเดือดทั้งอยู่ในใจด้วยแล้วก็เปล่งออกมาเปน็นวาจาด้วย ที่เก้าสงไข่ชิ้นหกนั่นหรือบาลูเกณน์ที่เราถ้าว่าจะบ า, า, ารูเกณฑ์พรอรหันก็บารูได้แต่ว่าพออนต้อ ง, งการที่จะตัดสิุและก็ช่วยดละสตว์โลกทั้งหลายจนได้รับพรากรจากพระธีตังกรสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าต่อไปนี่แหละองค์นี้แหละจะได้เป็นพระโคตรนาสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปจากนั้นก็สร้างบาลมีกณฑ์เ ส, สียสงไขแสงมมากับสัมกับ ัสไขแสงกลับเัวแต่ละกลับแต่ละลับเหมือนน้ำมันเชเหมือนกันนะคือเราไปฟังวิทีคนวณเรื่องกลับเนี่ยจนไมู่ัน้กันาฬิก่ออกเลยบางบางบางเห็นก็บอกว่าเหมือนภูเขาสีนนูภูเขาสนนูนี่เป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดละสูงตั้งแต่นุ่ลคือในเซานิีโยดเป็นที่อยู่ของโอเคโอดาล้อตียวภาพเคโดาลผ้าขาวพื้นนุ่มมาเช็ดว่าอย่างนั้นล้วตีมาเช็ด จนภูเขาเนือหายไปเนือ ไ, ไหลแ น, น, น่เลยหนึ่งกับโอ้โหมันรู้มันเนื่อไหลนลเนี่ยหรือบางคนจะเอาเอาภูเขาธรรมดาเนี่ยนหะรือว่าเอา้านีหลุหลุมกว้างหนึ่งยดยาวหนึงน่งยดลึกหนึงน่งยศก็เรีว่าปริมาณคนเ น, นี่ยลูกบาตลาูกบาตรเอะนีเงินเ ม, ม็ดข่าเปลืกนี่ไปหย่นลงนมดนึง ยอดหนึ่งยี่สิบหกกิโลนะหลุมลมกว้าสิบหกิโลยายสิหกิโลลึกสิบหกิโลตีหนึ่งเอาเม่อไา่ไปยันลงเม็ดหนึ่งเจนเมื่คไ่เต็มเรียกว่าหนึ่งกัปแค่กับเดียวนี่มันก็จินตนาการไม่ออกอะมันมากมายขนาดไหนแต่มันก็เต็มแล้วอยู่แต่ว่ามีรุ่มืดไหลงามขนาดนั้นหรอแล้วที่อาศงขยที่นี่ผู้ชายเงินทนแต่ได้รับทรัพยากรแล้วก็ซื้อเชิงขายแสนกัป แค่แสงจับมันก็มากมายมหาศารและชีวิตของเราที่มันวนเวียนอยู่ในวัฏจักรนี้ก น, นับไม่เที่นเหนมือนกันไม่รู้เกี่ยวสงไขคนทุแยบมองไปที่ใดก็ตามที่ตรงนั้นต้งเป็นที่ฝังศพของเตียเขาหมเลยในโลกนี้ดที่ขนาด น, นั้นเลยไนหะแล้วมันมันน่า ก, กลัวนะแต่สงสารเนี่ยถ้าเราสังพระพูดจทรเพราะนั้น เรามายัางสถานที่ประสูตยเนี่ยก็ทําให้เราเรียนรู้ขึ้นมาได้เ่าเออนี่นะเป็นที่เกิดของพระวรากายของภูตเจา้าเป็นที่เกิดของลูกลูกประทัดหรือลูกประกายก็ได้แต่ในพระไ ท, าทายแล้วเนี่ยมุนนย่งมันมม่นที่จะบรรลุธรรมบรรลุธรรมนริ่งธรมรมกายธรรมกายอาจจะไม่เหมือนธรรมกายในที่ที่อยู่ในประเทศไทยนะธรรมกายหมายว่าจิตใจที่ไม่เข้าถึงธรรมที่มันหลุดพ้นไปจาทุกข์ะ แต่รูกก้ทางเนี่ยแค่เรามาแล้วเรามันทําให้เออมันจะไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์นค น, นต่อว่ามีจิตใจที่มุ่งมั่นบักบักมุ่งมั่นที่จะปะสิทํามเพื่อออกจากทุกข์แล้วก็จะช่วยเหนือสัตว์โลกทั้งหลายเพื่อรู้ทางหล บ, บทุกขเชน่นเดียวกันก น, น, นี่การกันตรงนี้นะที่เราไม่ได้ไป็นเจ้าอกู่ข้างห า, าไปอ่านอ่ะ แบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดถ้ประวัติอะไรต่ออะไรมันก็จะมีเรื่องเลา่าอภิริหารอะไรมากมายซึ่งมันเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป้าหมายของพระองค์พระประสงของพระองค์จริงๆคือต้องการให้คนเนี่ยรู้ทาง บ, บัตทุกแล้วจะสามารถบัตรทุกภายในจิตใจตัเองได้นี่เรื่องความที่สําคัญตรงนี้นะอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าที่จับกับสาวกของพระองค์เนี่ยประทันประพับอยู่แล้วก็มีที่ชื่อแหวนล้อมอ แต้ผมดูการพิส like ูจน์ท so ั้งหลายการที tai ่เรากับเธอเนี่ยเรากัะเธอด้วยนะแต่วแต่ตอนที่พระองค์จะตัดสรู้ตัดส้อมก็เหมือนกันเ่ยพากันบนเรืออยู่ในวัดใตสเชิงสามีเต็มประมาณไม่ได้นับไม่ถ้วนเนี่ยก็เพราะว่าพวกเราไม่รู้ในยาสัตยสี่นี่เองนี่ก็แสดงว่าพระองค์เนี่ยก็ต้องตัดสรู้ตรงนี้แหละคำว่ายาสับอาสัตย์สี่ ก็คือความจริงของาพารียเจ้าความจริงสี่ประการของาพารียาเจ้าหรือความจริงสี่ประการของพระพุทธเจ้าก็ได้ผ่ามองว่าพระองค์เป็นองค์แรกที่เอาความจริงอันนี้มาเปิดเผยแล้วพอเวลาพระองค์กลับเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะเพราะวายศศินี้นะจะเหมือนเดิมตลอดเลยนะแล้วก็จะไล่จำเรียงดับด้วยคือทุกสมุงไท ย, ไ น, ยนี่โลดมัดไม่ว่าเอาเข้า ท้องไปพูดก่อนเอาข้างหลังออกหน้าเอาข้างหน้าไม่ไว้ต้องหลังไม่เมียตกไอเกลือเนี่ยสมุทรไทยมีเงดนมาถ้าเว่าเรามาแล้วเราเรามีมีจิตที่มันมันไขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่าเออพระองค์เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ว่าพรงสามารถค้นคว้าเป็นพบวิธีดัดทุกค์ใส่พะไยได้แล้วถ้าไม่ต่เติดกับโลกอื่นๆมันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าจะมีใคร ที่ไม th ่มีทุกขังที่เกิดมาเหลือรู้ทางดับทุกข์ด้วยตัวเองมันไม่มีหรอกนอกจากพระพุทธเจ้าที่สร้างบาลานี้มาเพื่อสิ่งนี้เท่นั้น่ะแล้วก็ทําให้เรารู้ว่ามนุษย์คนหนึ่งทําได้จริงดับทุกข์ได้จริงคนคว้าแสวงหาทุ่งเคือตั้งแต่ออกทรงขดไม่มีเวลาไหนเลยที่จะคอแทคลายภัยมีอม่งมั่นอยู่อย่างงั้น ภาพเพียรพยายามอยู่อย่างนั้นถ้าหายาไม่แต่ฟื้อทําก็คือตายเลยนี่แหละที่เห็นความแตกต่างความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าอย่างไระองค์บำเพินทุกขกิริยาก็เหมือนกันที่พระองค์ทรมาร่างกายอะไรนั่นบอกว่าโอ้ไม่มีใครมาที่จะทำขนาดเราเนี่ยเราเนี่ยทาอย่างยิ่งเดือดแล้วจะมีใครมาทรมาร่างกายขนาดเราเนี่ยบําเพินทุกขกิริยาขนาดนี้ไม่มี ก็จะไม่รู้ทำไม่รู้ได้หรอจนก้าพูดอย่างนี้นะพระบะุตรเจ้าแล้วก็ทุกสำนักในเหล่าชมพูทะวันไปเรียนมาหมดไม่มีสำนักหน่อยที่มีคําสอนแล้วทําให้คนถูกบังสุดท้ายด้วยอำนาจบุญบา ร, รมีของรวงที่มาถึงทําให้แ ล, ล้วรู้ได้ว่าเออจิตของเาามันเคยเข้าสมาธิได้มันเคยเป็นกลางกลางแล้วมันก็เห็นเห้นกับมันมันมันจะเห็นความจริงอะไรเนี่ยก็จะเข้าใจได้ น่าจะเป็นวิธีนี้แหละอ่ามันไม่จัดเป็นต้องไปทำให้มันเป็นทุกข์ทรมานหรอกเนี่ให้มันจิตใจมันมีสมาธิมีความสุขความสบายนี่แหละแล้วใมันรู้ความจริงแล้วมันคงจะดับทุกได้นเนี่ยเนืยอวิญญาณอาหารานอี่แหละก็มาประคับประคองร่างกายด้วยวการสมไว้วิญอาหารก็ อ, อยู่ในบทที่เหมาะสมสรรพตาอาหารสเสมไว้ตาอาหารที่มันเหมาะสมกับสภาพาร่างกายมันพอดีกับสภาพาร่างกาย กำลังวังชาพอที่จะปฏิบัติธรรมได้มีปรับร่างกายกับปับจิตใจขึ้นมาเห้พยายามให้จิตใจมันเป็นสมาธิก็คือไระอง์กับเอาจิตมาตามดูลมมีชือเรียก อ, อานาพันสติตามดูลมไปพอจิตใจมันมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาแต่พระ อ, องค์นั่นน่ะมันเป็นบารมีของพระองค์ คือเราก็น้องเข้ามาหาเรานี่แหละก็คือเจริญสติสติเบี่ยงต้นสมามานเบี่ยงต้นของเรายังไงก็ได้ให้จิตของเราเนี่ยมันเข้ามาอยู่กับตัวเราใช่ปะถ้าทำไม่ได้หุ่นจิตมันจะไหลตั้งแต่เช้าหุนเงาตัวเราออกมาแล้วเราก็สัมผัสแล้วข้างนอกมันก็สุญญน้อมไปแตกต่างไปจากกระเทศะของเรามันก็นุ่มนุ่เราย่าเดินสบายๆมันก็ไม่สบาย่นาะ เด็กก็มาแล้วนอ่ะลล่แล้วเฮฮัเสน่หนั่นเสน่ห์นีอ่ะก็สําคัญเป็นที่ใจเราเราต้องมีสติควบคุมจิตเราไม่ใหมันไหลออกไปแล้วเราลองทําหน้าคนมีที่คนเจอเราอ่ะมันทําให้จิตของเราเนี่ยมันมันไม่อยู่กับตัวเรามันก็ไหลออกไปไหลออกไปเส็แล้วมันยังไม่ไม่พอเนะ บางมันก็ดึงกลับเข้ามาใหมา่สัญญาเปลี่ยนเป็นสัญญาดึงเข้ามาใหมา่เปลี่ยนเป็นสั้งขานส่งต่อให้สร้งขานตุ้ม ต, ต่อเปิดมือธนาสุดบ้างคลุกบ้างดุมร้อยจิตใจอวิ ญ, ญญาณไปรับรู้ส่งต่อไปอยูนี่คือธรรมาชาติด้านหนึง่งที่มันมั น, ม, นมันประกอบกันที่เราเป็นตัวตนของเราอ่ะเมื่อให้เราเวลานะท่านตั้งรู้เนี่ยเราก็ทานออกไปสานเนี่ยท่านก็รู้แล้ววันเนี่ย ถว่าคนหไหนที่ไม่มาศึกษาคําสอนของพระโอษฐ์ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมธรรมะของพระองค์คำสอนของหลวงไม่รู้นะแต่ชีวิตของเรามันประกอบไปด้วยไอเนี่ยสิ่งที่มันแค่แค่มันเกิดขึ้นชั่วขณะชั่วขณะเทานั้นเองนะอย่าเพื่อเราออกมาตัดเจอผู้เจอคนเนี่ยมันก็เพียงออมาเจอเขาก็ส่งเสียงดังสนัมวันไว้อ่านคำนู่นคำนู่นจิตเราก็อ่หมุนไปกับเขา ขู่ขาขึ้นมาถามทำยังงมันเขาทำมึหัวเราะบ้างแล้วก็คุ่เคืองบ้างที่มเพิ่เกลดไปพ่เมันมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะถ้าเราสังเกตอะถ้าใครไม่ไม่เคยได้ยินไดฟังธรรมะของิจะไม่รู้ตรงนี้เลยนะเราเราเราตื่นขึ้นมาเราไปแม่งเราไปมีอเขาทำ อ, อันนั้นทำอมานี้ไม่ถูกใจเรารบกวนเราหวกนี้ไม่ด้เรื่อง เราก็ตั้งใจจะมาแสดงหาบุญกุศลคืนความความดีต่อการความสงบของเรือนภูมินี่คือเราเราไม่รู้อวามจมันจะเป็นอย่างนี้มันก็จะเอาเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็มาเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ต่อตัวขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวยึดจาร์เลยนะเนี่ยแล้วชีวิตของเราก็เป็นอย่างเนี้ชีวเขาชาโล ก, กเป็นอย่างนี้เลยแต่พี่ตเ จ, จ้าเนี่ย ท่านคนขวาใจท่ารู้รู้ว่าช่วงเหล่านี้มันมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นช่วครางดีเหตุใจมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปเท่านั้นเองเมื่อผ่านไปแล้วค่ะเรารู้ทานมันมันจะกลับเข้ามาใหม่ล้วก็รู้เน่ยมันกลับเข้ามาได้มันเป็นสัญญามันเป็นหมายมั่นอารมณ์ไว้มันจะดึงเข้ามาใหม่ได้จําได้เป็นจำได้แล้วมันก็เข้ามา ดึงเข้ามาได้ดึงเข้ามาได้ส่งต่อให้จังขานส่งต่อให้รูธมาอวบิญญาณรับรู้ส่งต่กันไปถ้าเขาไปเจอกันใหม่มันก็ทิ้งเรื่องเก่แล้วก็เอาเรื่องใหม่มาจะไปเรื่องใหม่ไปเอาเรื่องเก่ามาผสมกันไปจะเรื่องใหม่การที่จริงเรื่องเหล่านนาะมันก็เพิ่มเกิดขึ้นเกิดเป็นช่วง เป็นช่วเป็นช่วงแล้วแต่เจงาวะแล้วแต่โอกาสถ้าหากว่าเราเราไม่มีสติเข้ามาควบคุมจิตเราเนี่ยเราไม่เห็นหลักอาการพวกนี้ไม่เห็นเราก็เป็นเราเป็นเราเป็นเราอยู่ตลอดเราก็จะปุ่งแต่อยู่เนี่ยปุ่งแต่ปุ่งแต่ปุ่งแกงเป็นเราเป็นเราเป็นขาเป็นน่ำเป็นนือเนี่ยเราก็มีชีวิตอยู่แบบเนี้ยหรือว่าใจจึงเยอะหรือวสังขาสและโลกหรือว่าสั่งฆาตธรรม ทำที่เกิดจากการจงใจเรือที่เกิดจากการจูงใจขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสังขามพวกนี้แะลังนไปวนมาอย่างนึงไปแก้ยุ่งเซงเร่ยวัดตัดสงสารและตัดทุกข์อันี้ไงแล้วอย่างเราเหล่านั้นก็เข้ามาครอบงำจิตเราผ่าเอาคิดนึกจูงใจไปแล้วก็เอามาทำตามทำไปทำกันไปก็จูงใจขึ้นมาแล้วมันไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเราแล้วเราจาเป็นต้องไปทาแล้ว มีอำนาจเหนือเราแล้วมีคนต่อเราแล้วเราก็ทาบางทีก็เลียนก็กเตียนกันทาก็ถ้าคนทำไปทำไปโดยที่ไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นสักราณลโลกโลกผู้หมุนไปตามไ อ, อความที่ตึงตันตามต้าถขันแบบนี้ไมีที่สิ้นสุดยุงแต่งกันที่มา เราก็ทาตามกันไปทำตามกันไปแล้วก็ปีนแตนที่นัาอีกเราก็ทำตามกันไปมันอยู่แค่นี้เองนะทำดูว่าสังขารและโลกโลกแห่งสังขารแต่พระพุทธเจ้ามีเซมไปถึงอีกเล่มหนึงที่เตเป็นี่สังขามหมายความว่าไม่มีสิ่งไหนปีนแตนมีสังคารปทํา ทำที่เกิดจากการปูนแต่งแล้วก็อาแสงอาปรมทำทำที่ไม่มีอะไรปรูงแต่งบ้างพระองค์เข้าไปถึงสายทางเลยเจ็บเลยอ๋อมันปูงแต่งก็คือเป็นภาคกิแล้วไม่รู้หนูเองเนี่ยคือมันง่ายนะพระงค์รู้หรืเอเปลอ๋อมันรู้หนูเองถ้ามันรู้แล้วเราก็ไม่แต่งไปปูงแต่งมากค้ารู้แล้วมันต้องรู้รู้ทันคุณดูเวลาพระองค์ประธานคอนเสิร์ตอะไรให้ พองค์ก็ประทานอะไรเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อที่พระ อ, องค์รู้นั่นก็คือวิธีของพระ อ, องค์พุทธบาลมีแต่ว่าเวลาพระ อ, องค์มามาประทานการสอนเนี่ยวิธีการมากมายเลยนะการจริยมิตรใส่เลยแค่เรื่องกรรมถามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพระ อ, องค์ก็ประทานเรื่องสติปัฏฐานสี่เหลียวมีสติรตักษาจิตไอาไว้เรืองสติเรื่องต้นซะก่อน คุมสิตให้ได้ก่ก่อนเมื่อจิตมันอยู่แล้วมันก็เริ่มมาดูกายกับใจกายกับใจก็แย่กับเป็นกาย <Yeah. S 1> เวทนาจิตล้วก็ถามเนื่อก็เป็นปฏิปทานส4บตายหรือ้ามองในเนื่อชีวิตของเราก็คือขันห้ามันประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวอะไรก็คือขันทั้งห้าแต่การที่จะมาเจ้งสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ย พระ อ, องค์ก็ต้องมีสมาธิกอดเนี่ยพระ อ, องค์ก็ย้อนไปกรดก่อนที่พระ อ, องค์จะมาปฏิรูปธารเนี่ยพระ อ, องค์ก็ต้องควนแล้วว่าอ๋อตอนที่เรานั่งอยู่ก็เป็นท์ว่าน่ะขณะที่พระพุทธบิดาพระราชาบิดากําลังทำพิธีเล่นนาขันนั่งอยู่องค์เดียวได้รับความสงบสิตมันก็ตามลมไปเป็นสมาธิขึ้นมาตอนนั้นพระ อ, องค์ยังไม่รูมีปัญญามีสมาธิแต่ใ น, นเ่วนความสุขความสบายตามลมดูลม แล้วจิตก็เข้ามาเป็นหนึ่งบรรลุกับธรรมชาติแต่ธรรมชาติก็คือมีวิตกวิจารวิตรก็คือจิตเนี่ยมันไปมีอะไรปั๊บเจนลมปั๊บมันจะดูลมจิตที่มันไปปั๊บกิดก่อที่ลมมีอะไรวิตกประคับประคองเข้จิตเนี่อยู่กับลมนั้นตลอดมีเรื่องวิจาร์นะวิจารยังไงก็ได้เข้จิตมันเท้าคืนคอเคลียอยู่กับลมนั้นไม่ใหมันคาดเคลื่อนไปทางเหนเรียกเรื่องวิจาร อยนั้นก็เกิดความอิ่มเออขึ้นมาในกายในใจซาบซ่านไปทั่วร่างกายเป็นตีตืแล้วก็มีความสุขและจิตก็แน่ๆเป็นหนึ่งอยู่เนี่ยเรียกว่าปฐมฌานก็คือเป็นอาการของจิตนั่นแหะเ่อจิตเป็นสมาี่มันมันมีความละเอยียดแตกต่างกันนะเออถาว่าขครอาการ ท, ที่หนึ่งนะอ่ามันเป็นอย่างนี้นะเนียถ้าใครมาถึงก็ ดูก็ได่าอ้าวยังดูลมอยู่เนี่ยจิตมันอ่าประคับประคองเอยู่กับลมเสร็จแล้วมันก็มีปิจิตมีความสุขจิตแน่ๆอยู่กับลมนั้นอยู่กับลมเดียวนั้นโดยจะคกาตาลมนั้นก็คือประตูมิจานแต่ทีนี้ถ้ามันเรียนเข้าไปมันมันไม่มาจิตใจที่ลมแล้วมันเข้าไปหาจิตแล้วทีนี้ไปดูว่าความจิตมันอิ่เ อ, อิบยังไงรู้แล้วหู่ดีมีความสึขยังไงก็รู้แ ล, แล้วก็มีจิตเป็นหนึ่งเดวย ท้ายนี้มันเอียดเข้ามาข้างในแล้วก็แสดงว่านี่แหละปฏิยาฌานชั้นที่สองแล้วท้ายนี้ไอ้ตีนก็มันหยาบอยู่มันก็ซับซ่นไปตามร่างกายเหอะมันก็ไม่เอามันก็มาแกความสุขอยู่ที่จิตเนีะยรันสุขอยู่ภายในแล้วกันจิตก็เป็นหนึ่งน่ๆ อ, อย่อางนั้นก็เรียกว่าเอานี่ปฏิยาฌา น, น, านชั้นที่สามมันละเอียดเข้ามาแล้วมันก็อม า, าจิตแล้วมันดูความสุขภายในจิตอะ แต่มคาคนสุกนี่มันก็ยังหยาบอยู่อ่ะก็ว า, างสุกเลยอยู่แตอาเลยอยูเฉยเลยแต่จิตเน็นอยู่นี่จะเุ็ปรชานสั้นที่สี่แล้วนึ่แต่อไปก็อรุอปฌานต่าถาหาว่าขั้นต่อไปก็เพิ่มความว่างอาการสารนันจายตณะเพ่งวิญญาณตัวลู้อ่าวิญญาณนันจายตนะเพ่งสิ่งที่ไม่มีเหมือนรู้ก็ไม่มีอ่ะจินใจลอยามาเพ่งสัญญาก็ไม่ใไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่ญญชยุคเข้ กระทั่งแม้จะภาษาอียิปต์พอบรรลุเลยว่าสัญยามาสัญญานญยากจเนนี่ก็ไม่สามารถพิจารณาอะไรได้ก็หมว่าสมาธิยุกเนียขนาดผู้ที่สร้างมันมีมาขนาดหนก็ตามสมาี่มันมีกำลังมาก ม, ม, มันครอบคุมอันอย่างจิตไม่สามารับรู้อะไรบด้มันก็ต้องอยู่ข้างนาเลยไม่เอารู้ร่ อ, อะไรข้างนอกอาจารียิก็ต้องขออย่างาี้ทีเขาเลาก็เหมือนกันนะถ้าว่าข้าสมาธิเนี่ย บางทีม nh ันยิ่อยู่เฉยๆย่จบจออ่นเนเหมือนมันวางทุกอย่างแล้วเข้าไปตรนั้นแต่มันวางสมาธินะมันไม่ได้มีปัญญารู้เห็นความจริงมันจงยังเป็นสมาธายูสุขสบายจริงจมีกำลังแต่ว่าถึงความเกิดแบบไม่เห็นเห็นพ็ไปรักไม่เห็นถึงจะวางเฉยแน่ๆอยู่ขณะน้องก็ตามอ่ะ แต่มันไม่ได้เกิดจากการที่มันรู้ความจริจงไว้จิตปล่อยวางจิตพลั้จิตละจิตยางจิตกดจิตปล่อตัวอื่นออกมาวางเฉยกับ อ, อารมณ์เหล่านั้นเห็นแต่ารักแล้วมันปล่วางคนละอย่างมันจึงแตกต่างกันเรื่องสมรภารเนี่มันจะเจออารมณ์เดียวมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวแต่ว่ามันไม่เห็นแต่การักจึงเรื่องสมรภารธรรมฐานอุบายทางจิตสนุกเฉย แว่าถ้าจิดมันพร้อมเมื่อไหร่มันเริ่มอะไรเกิดขึ้นเริ่มรู้ไาวให้มันรู้ก่อนอย่าเพิ่งไปอยากจะให้มันเข้าไปพักอย่างเดียวให้มันรู้เลยทีหนึ่งอย่างเราจำได้มีคนเขามาเล่าฟังว่าเขาก็เคยฝึดฝึกมานานเลยนะ อ, อ, อ, อะไรสมาธิอะไรเงี้ยไปฝึกกูบาจานอะไรเนี่แหละเขาฝึกแล้วหลังมาเขาบอกว่าเออผมฝึดอยู่หลายปีครับ แต่ว่าก็มาถึงจุดนี้แล้วก็พักอยู่ผมก็สังเกตอยู่ตั้งหลายปีเอะมันมันเท่าเดิมพอพอสมาที่จางคายแต่ผมก็ได้มาทาใหม่แล้วก็เข้าไปจป็นขี่เก่าคือมันนอนเข้ามันสังเกตได้อ่ะครานี้ก็เลยได้ยู่นในฟองคาน้าของครูบาอาจารย์บ้างบอกให้มันดูซะก่อนดูก็คือดูคำน้าหรือสติปัญญาสีเนี่ยดูใจโยชนะจิตทำเนี่ยหลักอย่ากให้มันมันลงไปให้มันดูให้มันดูเจ็บใจไว้ทำยังไงก็ได้ให้มันดูซะก่อน ดูแล้วมันพักในงานเลยแม้ว่ามันดูแล้วมันวางของมันวางเฉยความรู้ก็เกิดด้วยรู้ว่าเราไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกเกิดแล้วก็ดับไปผ่านมาผ่านไปแล้ว่ามันก็วางเฉยได้อันนี้ในพักในงานเขาบอกวลองทำดูแล้วว่าจิตเขาเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกว่ามีความใจแน่ขึ้นมาว่าบเวลาทำการทำงานหนึ่งรู้สึกว่าจิตจิตมันมีกำลังแล้วก็มันมาสังเกตรู้ท่าทางจิตของตัวเองด้วย ด่าเอี่ยมีคือเขาจเริ่มสถิติสัมปะเสนอกัแล้วมาที่แรกในสมัยฐานกรรฐานที่อเฉแต่อมาเริ่มจะเริญสติสัมปัญญะก็คือว่าเอามาให้มันให้มันดูขันห้าก่อนหรือมาเจริญสติติฐานสี่ซก่อนพอมันกาลังมันพอแล้วหรือมันมันเห็นปัจจัยรับแล้วมันสป็นควรแล้วมันก็วางใครมีปัญญาแล้มันเห็นว่าเออไม่ใช่ของเราแล้วมันวางลงไปอันนี้เราไปทำงานแล้วมันวางเขาเขาบอกว่ามันเบิกบานกว่าเดิม แล้วก็ทําการทํางานอะไรเนี้ยรู้สึกว่ารู้เตัวได้เร็วรู้ตัวได้ดีขึ้นเขาเห็นความแตกต่างอันนี้เขามาเล่าดูตัวเขาเองแล้วในเวลานี้ถูกฟังแล้วทีนี้มันก็มีบางคนแบบไม่ไม่ เ, เป็นอย่างเนี้ยเขาจะเริ่มถอดสาสีไปเรืเ่อยเลยมีสติอะไรเกิดขึ้นรู้ไปด้วยอันนี้เรียกว่าเกิดญาณขึ้นมาจิตจิบเริเม่มสงบลงไปยังไงก็รู้แต่ค่อยๆรู้ไปเรื่อย ควบคุมจิตเอาไว้จิตเป็นยังไงก็รู้อจิตเผลอไปก็รู้พยายามเอาใหม่อยู่เรื่อยแล้วก็พอจิตเริ่มมันมีกาลังขึ้นมามันก็เริ่มเป็นหนึ่งขอามันมือมีคุณตัวมสมาธิมือก็คือจิตต้องเป็นหนึ่จิตต้องแน่แน่จิตต้องเดียว ล, ม เ, ลมเดียวถ้ายอาว่าจิตมันยังสั่นอยู่แสดงว่ามันมันควจิตไม่อยู่แต่ตัวนี้สมาธิมันยังไม่มีกําลังมันยังทาอะไรไม่ได้ จริง่็ว่าจิตมันเป็นนึ่งก็รู้สติมีเวลางเพิ่มขก็รู้อะไรก็ดขึ้นจะกจิตก็รู้สิมันพอใจมันมีความเบิกบานมีความอิหม่บรู้นรยมีญาณมันรู้ไปเรื่อยมันดงไปแล้วก็พัดไปพอแล้วหอนกําลังมันก็พยายามอย่างให้จิตอยู่แล้วก็มารู้ใหม่อันนี้ก็คือวิปัสนาณ์นันแหละสมภารไม่ใช่สมภารสอนแล้วก็วิปัสนาตาม อั น, นี้นิบัติหนอไปเลยรู้งไปเรื่อยแล้วแต่พักไปเรื่อยแต่เมื่องจุดน้ตายทางเดียวกันเมื่อกาลังพอแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานี่มันต้องมีความตั้งมั่นซะก่อนคือผ า, านนิวรณ์เดียต้องผ่นนิวรณ์ด้วกเพราะฉะนั้นขั้นตอนการฝึกสงบเรื่งองไรจะจำเป็นมากคนมักจะคอใจในขั้นนี้เพราะว่าอยากจะสงบอยากได้นู่นได้นี่ อยากเห็นนั่นหนึ่งคือจุตยังไม่ตึงมันยังไม่เห็นความจริงยังสะเปะสะายอยู่ได้อยู่แล้วก็จะสนใจได้ยินในฟังคนนั้นพูดบ้างคนนี้นพูดบ้างวิธีการกําเกิดความลังเลไม่แน่ใจแต่บางคนก็แน่ใจมั่นใ จ, ใจก็ขอ ย, ยาปฏิบัติบางคนก็รูว่าเออมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจ ะ, จะเจริญก้าวหนะ้า <c> ข <oughs> ึ้นเราก็ต้องทำกันต่อไป แต่พระอาารย์รู้อยู่ก็เหมือนกานตอนที่ท่านเจริญฌานเนี่ยท่านก็บอกว่าเออพอเข้าไปตรงานปักท่านก็รู้ว่าเออมันยังที่มันมากแต่ น, นี้ยังมีอยู่ท่านก็พยายามขึ้นไปอ่า ท, ที่เจริญฌานฌานที่สองมันก็เป็นการปฏิบับิอย่างเงี้ยแล้วปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเาว่าเรารู้ว่าเอาอตอนนี้กําลังเรายังน้อยอยู่เราต้องทำเพิ่มไปคือก็อยากแต่รู้รู้ว่าอ๋อไอตอนนี้กําลังเรายังไม่พอนะเราต้องพยายามเพิ่มเติมขึ้นไปพยายามต่อไปก็ต่อไปต่อไปเรื่อย ลันก็มากขึ้นเรยกำลังมันเจนมันตั้งมันพราะพีเจก็สอนนะว่าให้สอนต่มาเอนให้เจริญสมาธิเนีนยถ้าเิตมันเริ่มอยู่นี่แหละท่มันเริ่มเป็นสมาธิแล้วมันเริ่มมีอารมณ์เดียวเนี่ยเป็สมาธิแล้วเป็นเจริญสมาธิต่อไปคือเริ่เจริญสติมาก่อนสติควบคุมจิตและจิตก็เริ่มเป็นสมาธิเจริญสมาธิจริงเนี่ยจนจิตตั้งมั้นคราวนี้จิตตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นคืออะไรจิตตั้งอยู่กับจิตได้ มันจะดูลมไปก่อนเลยสิล้มก็ถอยมาจากลมดางเฉยมาอยู่กับจิตบริกรรมก็วางคาบิดรูร้จำแต่ถอยมาอยู่กับจิตดูกายดูกายทาความเข้าใจรื่กายแล้วก็ถอยมาหาจิตสุดท้ายต้องมาถอยมาหาจิตนรือจะดูอะไรก็ตามมันก็ดูด้วยความเป็นหนึ่งของจิตทำความเข้าใจจะรู้ว่า ชิ้นงานนั้นไม่ใช่ของเราเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนาัตตาจะได้แต่ว่าทีา่จะชอบพูดกำลังจริงๆเนี่ยต้องมัตั้งมันจริงๆมีกำลังจริงๆมันทิ้งใจเห็นตายก็เหน็นจริงว่ามันเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ําลมไฟลุ่มไม่ใช่ของเราจะมีวัฒนธรรมไนก็ตามแต่มันจะต้องมลงที่เดียวกันคือไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงต้องเสืส่อมช้นต้องสลายต้องดับไปทั้งหมด เขามาดับไปในีนี้คือดับไปจากจิตของเราละ่ะจิตเรารู้ว่ามันต้องดับไปถึงอย่างร่างกายมันยังอยู่อ่ะแต่ว่าจิตมันวางเฉยได้มันดับไปจากจิตเแล้วพอมันรู้แลว่าสุดท้ายร่างกายต้องถ่ายดับสลายไปจริงมันี้มันก็ลเลยปล่อยเลวางความจริงเหล่านี้เอาไว้แล้เรื่องราวของเอกี่ยวกับร่างกายก็ดับไปจากจิตเราก็เกี่ยวห้องและยังเกี่ยวห้องอยู่แต่ว่ามันไม่มีผลทำให้จิตเราเป็นทุกข์ได้ ทำไมเขอาถึางเนี้ยไม่ในะจะไปปะปะร่างกายเอาล่างทรมานร่างกายเอาให้มันตายไปบาคนก็มีอลรมานร่างกายนี้ก็เพื่อที่จะให้จิตมีกำลังพอมันหลงร่างกายมากมันเอาพัฒนาทางกายเนะมาเป็นตัวเราม า, าดีทันจิตตัวอืน่นก็เลยเอาใหจิตเห็นว่าวันนั้นมันร่างกายนะ มันเจ็บมันเปียกกัร่างกายนะมันมึนมันจางกับร่างกายนะมันนี้มันโหยกับร่างกายนะจะได้รู้เรื่องร่างกายให้มันชับเจนแล้วมันจะไม่ไปเอาเรื่องร่างกายมาทําให้เกิดเป็นชู้เนี่ยก็ต้อฝึกเพราะว่ามันรักมันเหนื่ร่างกายมากมันหวงมันเห็นแต่ว่ามันยึดมันปิดไม่คล่องมากก็ต้องทำให้มันรุนแรงหน่อยรุนแรงก็คือให้มันทรมานฆ่าแต่หัวจิตทรมานไอเตือนหลงตัวเนี้ย พอเรามาในตัวไปยึดปิดท่องตรงนี้เดี๋ยวบางทีมันก็จำเป็นอ่ะถอามันรักมากรักมากมันก็เอาหัวใจมากคออ า, าใจมากมันก็ตามใจอยากตามใจกิเลสไปเนี่ยตามใจกิเนสตามใจปัญหาตามใจอุปาทานคือเราก็ายามพกหงุดหงิดมาที่เลยปัญหาอุปาทานแล้วมันแตกกันยังไงที่เลยจะปัญหากิ เ, เนไหนว่ามันนอนเลื่อง อยู่ในขันไทส้มดานมันยังได้ออกทํางานน่ยมันนอนอยู่กิเลสก็ยังเป็นอยู่่ะยังมีเยอะอยู่มันก็ยังอยู่ในเจตจิดเราอยู่อ่ะแต่มันนอนอยู่เฉยยังไม่มีเหตเนี่ยตอนี้เวลามันอยากขึ้นมาเนี่ยนี่มันมันมันอยากแล้วมันเริ่มจะทํางานแล้วมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้ะถ้าเป็นมูอ่ะตอนมีกิเลสอยู่มันก็นอนอยู่เฉยพอไม่เล่นมูก็ไม่บอกหาเหยื่อแมัเราปัญหาแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วปัญหาเนี่ยมันออกลหาเหยื่อแล้วออกไปหาเหยื่อหากินแล้ว แต่เราทำงานแล้วน <ici> like you like, ี่แหละที so on episode episode ่เจอปัญหาแต่มันนอนอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ด้ทำให้เราเป็นทุกข์อะไรอ่ะเพรมันนอนอยู่อ่ะเนื่อนอนเนี่ยแต่เราเวลาไม่ไว้ใจไม่ได้หรอกมันนอนเวลาอยู่เราอยู่เพราะอยากขึ้นมาพ่อผอมขาเหยื่ออะไรทีนี้นี่แหละตรงนี้ะต้นเหตอมันตเหตบอกว่านีเหตุเป็นทุกขตรที่มันออกขาเหยื่อนี่แหละออกขายกินแล้วที่ออกขากินออกขาเหยื่อก็มีประทาน่ะ มันไปเจ็ดเจ้าอยู่ที่เหยื่อแล้วมันจะเอาเหยื่อแล้วมันจะเอาในจิตแล้วจะไดเอาเหยื่อแล้วจะได้เอาเหยื่อแล้วเนี่ยมันเปคิดถึงบ่อยๆแล้วเนี่ยไม่ถึงบ่อยๆอ่ะจะเอาบ่อยๆเข้านี่แหลตัวประทานแล้วปัญหาประทานมันก็เลยอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่ปัญหาที่มีกำลังลดขึ้นมาเปนนอุปทานแล้วอุปทานเนี่เข้ามาอยู่ในจิตแล้วเพอาะว่ากิเลสมันนอนเนื่องอยู่คอยเวลา ตั้งหรออกทำงานแล้วจะมีอุปทานมีน้ำหนักหนักขึ้นมีน้ำหนักหนักแน่นแข็งตัขงตนไม่ได้เลยต้องเอาให้ได้ไม่ได้ก็ตายเนะที้ไม่ได้มีอะไรนอนง่วงอยู่หัวเหมือนมีนอนหอยู่นี้หีวหรือ่อยากกินเหยื่อแล้วดิ่อยากกนเ่อหรือมนมีรขึ้นอหนไม่ได้ไม่ไหวแล้วต้องเอาให้ได้ก็บุกบั่ที่จะเอา มีก่เลสตัณหาอุปาทานในเบื้องหลังของมันก็คือตัวไม่รู้เป็นตัวิชาคือตัวเราอมีกลัวเรามีเตี้เป็นของเราทําเพื่อเราขึ้นมาแล้วอุปาทานก็มาจากวิชาต้าหาก็มาจากวิชาที่เลสก็ตัววิชานี่หละมันมวิชามันนอนเนื่องอยู่นอนเนื่องอยู่มันก็เป็นกีเลสรอเวลาหาเหยื่อเอาไปจิ้มเหยื่อ เพราะนิตของเราแต่ละคนเนือยมันมันไม่ใช่ไม่มีอะไรนะมันลอเวลาอยู่ตลอดเลยอ่ะเขาจรียนสอนไม่ให้ประมาทเลยเขาถ้าประมาแล้วมันมันรอเวลาอยู่มันจะไปเอาเหยื่อมามันจะหาเหยื่อแล้วมีประทานแข็งแก่งมันจะดีที่คนตเรามากครอบงาจิตเราอันนีงเรีนทุกเทอ ก็เพราะมีตัวเราตัวเรามันนอนเนื่องอยู่ตลอดก็่พราะมีอุปทานว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนั้นหนาแน่นเหนียวแั่นแข่งกันไม่สามารถที่จะละมันได้ด้วยความคิดด้วยความรู้เฉยงจำเป็นจะต้องให้มันเข้าไปาาเห็นความจริงเห็นความจริงก็คือว่าจะต้องจิตต้องมีสมาธิเดวยดไม่มันิ่นีกําลังพอที่จะเห็น มันต้องเห็นด้วยใจ่นึ่งเพราเกลืใจมันหลงนี่แหละคือปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันลึกซึ้งมากเลยนะถ้าเราปฏิบัติมี่มันก็ก็รู้อยู่ว่ามันมันยากแต่ว่ามันพอเป็นไปได้เนยแต่ถ้าเราคนที่ไม่เคยได้ยินไม่ฟังไม่ไม่เคยปฏิบัติเลยมันไม่ได้ออกเลยนะคิดก็คิดไม่ออกนะเพราะยังไงมันก็ไม่มีเรื่องไม่เขาใจเด็ดขานเลยนะมันลึกซึ้งขนาดเนี่ย ไอ้พวกเรานี i i> ่จึง่าโชคดีที่สุดแล้วที่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตามมาถึงสถานที่ประสูท์ของพระเจ้าเลยเพื่อให้เรานี่หละเกิดทามาสังเวชทมาสังเวชเนาแล้วรอถึงทำขึ้นมาแล้วจะทำมาสังเแบบนี้เราโ้สสังวทำไมทำไมเป็นไปอย่างนั้นเนาะนธมสังเวชแบบนั้นไม่ใช่ทำมาสังเวชนั่นือมสงเวชในธรรมแล้วรื้ถึงธรรมของพระเจ้าขึ้นมาแล้วรื้ถึงความจริงขึ้นมา้ ถึงทรมาทำให้เราเนี่ยมุ่งมั่นอยากจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเคยนี้ทำเห็นทำตา ม, ตามพระ อ, องค์กัเพราะมันตามมาแล้วนี่แล้วก็เข้ใจเราพระองค์ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกั น, นมา่อสูตรงนี้เขาอาจจะคล้องแว่นตรงนี้เลยอะ่ะทีว่าเออแต่ะกรอยอยู่กุงกันราพัดพระราชมารดานี่มต่อไปูพระรคำกแล้วก็ต้องกลับไปคอดที่บ้านเดิมบ้านพ่อ้นแม่กรุงเทวาชพอมาถึงเลี่ยงทางก็คือตรงนี้ ได้จากที่เราอ่านมาพุทธประวัติก็คืออย่างนี้ก็มาคลอดอยู่ตรงนี้การจะคลอดยังไงมีปฏิหามอยังไงอ่านนั้นเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่เรากําลังพยายหาทางที่จะออกจากทุกข์แต่ไมุ่งตรงที่มาที่คําสอนของพระองค์นี่แหละทำให้เรารู้ได้ว่าเรเป็นแค่คนปกตินี่แหละร่างกายมันไม่ได้แตกต่างกันอะไรมันก็ทาตุสี่ดินน้ำลมใจนี่แหละมันก็ขันหน้าเรานี่แหละ แถ้าเรื่องจิตใจเนี่ยยื่นที่จะทําให้มันรู้ความจริงก็ได้ก็คือเวลารู้ความจริงก็ต้องมารู้ว่าขันห้ามันเป็นแค่ขันห้าไม่หลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแต่จิตใจเป็นเรื่องของเราเลยมันอยู่กับตัวเรานี่เองธรามะเนี่ยอแต่บางคนก็มองกันรมุกการนี่ว่ามันเป็นธรรมะเนี่ยโอ้โหยมฝุ่นฝุ่นจนเราเนี่ย คงจะไปไม่ถึงอะไรแบบนั้นอ่ะทําไม่ได้มาปฏิบัติปฏิบัตินี้ก็คงไม่เข้าใจแหมันก็คงยังจิดบรรณาการอย่างนั้นอยู่เรือว่าพาา่อรมต้องโอ้โหโอโหโอเหินเดินอากาศา้า้ลอยตัวจะไม่เดิดนไปตามพื้นดินคงไม่ใช่อ่ะเพราะไม่ใช่อย่างนั้นเลยอ่ะมันหมายถึงจิตนุ้นจิตที่รู้ความจริงั อ, อ่ะก็ต้องหางทางให้จิตมารู้ความจริงมันจะรู้ความจริงได้ก็ต้องเตรียมจิตใหพร้ อ, รอม ก็คือทจิตให้เป็นสมาธิมีสติแล้วสาิตเป็นสมาธิเมื่อสมาธิแล้วก็ต้องให้มันรู้อะไรเกิดขึ้นใหรู้ก็คือมันอยู่ในฐานห้นี้แหละคนปฏิบัติีอ่ออะไรเกิดขึ้นให้ร้มันก็พอรู้แล้วว่ามันก็หนในพ้นแบกายจรใจะะอะไรนี่แหละอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเรามันเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในกายก็มีเรือาาเอเอ่องทาร่างกายมันเกิบต้เกต้นบุญต้นชาติตนคัตไงสุดท้ายเมือแต่ร่างกายจะิตท่านั้นแหละไม่มีเรื่องอื่นหรอกในิตของเราเนี่ย อะไรถา ม, มาน้ายแต่สคัญไปเนี่จิตของเรามันเป็นยังไงมันเปนไม่อยู่เรื่องอื่แต่สิงาาว่าเรามันก็มีอยู่แต่ไม่สาคัญเป็นจิตของเราไปกนจยวข้องอยังไงจิตที่เรียนรู้ทำมันจะเรียนรู้แบบนี้เลยอะไรเกิดขึ้นติแล้วเป็นยังไงกินแล้วเกี่ยวข้องอยังไงกีนะวงทาเทียยังไงมันจะเอาเรื่องราขานอกมาทําง มาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือเครื่องขยจิตของเราไม่ใมีทุกเพราะนั้นเวลาปฏิบัติมีสมาธิจาเป็นไม่ว่าจะเป็นสมาธานันนากระตามวิปัสนานัน น, นาสมาธิอาจารย์สัมมานันนาวิปัสนาก็คือมันลงไปพักก็ได้แต่ว่าต้องรอเวลาที่มันคลายออกจากสมที่พอสมควรแล้วมันสามารถมาดูขันห้าได้หรือมาเจริญสติปัญญาได้ต้องทอปปําแส่วนกกตรงนี้เพื่อให้ติดตั้งมั่น ถ้าี่ระชาชนมันน่าสมะครก็ต้องทําไปเรื่อยๆเจนกว่าจิตจะตั้งมั่นเนยเหมันจะ่ที่วิวกรรมไม่ไี้มันต้องถานที่วอนห้าทานอะไรต่ออะไรที่มันกุมลุมจิตเจนไม่มีอะไรกุมลุมจิตได้จิตมัคงมั่งคงแล้วทีนีูเหมือนกับจิตเรามันเตื่นเหมือนตาใจของเราเนี่ยมันตื่มันเปิดทุกเปิดออกอยหรือไม่อะไรเกิดคุณรู้ รู้ใจว่ามันในความรู้สึกมันเหมอนเห็นได้นั่นคิดติตมรู้ด้วยตัวจิตเองเห็นด้วยจิตเองเนยมันก็เลยกลายเป็นความรู้ควางเห็นเลยแล้วก็วางเฉยได้เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วจุดเป็นรูปเดขาแล้วก็มองดูรู้เห็นอยู่มันจะไปยึดไปยึดไม่ได้ความรู้อันนี้มันก็เลยซึมซับเข้าไปในจิตทราบเข้าทราบทราบเข้าไปในจิตนี่ยซึมทราบเข้าไป ดยู่เนตจิตอะไรอื่นตัวจิตก็เลยเกิดปัญญายาขึ้นมาว่าเออสิ่งเหล่านี้ไม่ควรี่มั่งถือมันน่ะนันเป็นข้มัตอาจจะไม่มีคำพูดอะไรหรอกแต่นี้เราพยายามที่จะอธิบายสื่อสื่อสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยออมาเป็นคำพูดเนจิตในจิตมันมันมันเป็นสมาธิแล้วอ่ะเหมือนใจมันถูกเปิดไม่มีอะไรครอบงำจิตอีกต่อไปไม่มีอะไรจิดบังเลยอารมณ์อื่นไม่มีเกิดขึ้นก็เห็น รู้เห็นรูน้เห็นแล้วก็วางเฉยตาลมนั้นแล้วเข้าใจต่อไปก็เข้าใจดึจซึ่งเข้าไปเรื่อยๆเออไม่ใช่ของเรานเนี่ยเนี่ยเกิดคิตั้งอยู่แบบไปอันนี้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วแต่จิตข้าใครมันมันขนาดไปเมยังไงมันก็จะมันก็จะอธิบายหรือมันจะสื่อเข้าไปหาใจได้แล้วอย่างนั้นวนิธีไหนที่จทําทให้จิตเรามันคลายวางออก มันเป็ยุติจุดตั้งอะไรแล้วจะทํายังไงอย่างนั้ น, ปนไนปดูใบเฉพา ะ, ะตัวแล้วจริงย่มันจะมีกรรมฐานเนี่ยมันจะมีเป็นของตือนอยู่ในรายและเอียดข้างในงบอกกันไม่ลด้เนี่ยบอกให้รู้ก็คือเบาบอกภาพรวมอ่ะกว้างว่าเนื้อต้องเห็นนะอะไรเกิดขึ้นก็เราเป็นผู้ดูนะเราเป็นแค่ผู้ดูนะอย่าไปเล่นแสดงนะเมือกับเรถอยอามาหรืออย่างที่ผู้พิจารแสเน่ะ คือว่าเชื่อดูเลยเ ห, นหรนไม่ไเขาหลักจริงไ้มไปไม่เข้าไปเตาไฟเขาจะสําคัญไจริงไหมเป็นเราไหมเวลาเขาเตาไฟจะสัาคัญว่าเขาเผาเธอไหมเขาเผาเราไหมก็คนที่มีสมาธิอยู่ใจจิตเจลอยู่ผู้แค่นี้มันก็เข้าไปหาตรงไหนได้แล้วแล้วก็วางเฉยได้ที่ที่เขาเคยวางเฉยได้อะไรมามันก็จะรู้จักวิธีปล่อยวิธีวางนั่นี่ มันก็ทั้งกายทั้งจิตเลี่ยเลีอกกายวีสนาจิตรู้ธรรมเนี่ยร่างกายมันไม่นอยู่ยังไงออาการยังไงเนยเอาสักนว่าเ่เนี้ยมีนาเอไสักีสาเื่อเนี่ยก็ก็เราเป็นผู้ดูแลเนี่ถ้าเชื่อนไหนที่มันมีที่ผลแเราไม่แสดงว่าจิตเรารู้ไม่ถึงรู้รู้ความจริงไม่ทั่วไม่เพื่วถึงต่ไม่เพื่อถึงมันก็ยังเราเส่นั้นส่วนนี้มาทำใ้ยังเป็นเป็นผู้ได้อยู่ แต่การที่จะนำเบาๆเอาตัวมันเงขึ้นมามันก็คนไม่ไหวสินั่นแหละคือกำลังเราไม่พอจุดของเราไม่สามารถที่จะวางส่งเหล่านั้นอยู่ตามสภาพความเป็นจริงได้ไม่วางเถฉยไม่ได้วางเบียดขาวน่นแหละคำว่าเบียดขาในที่นี้หมายวมันรู้ความจริงแล้วมันปล่อยวางมันวาง้วยสติรู้ปัญญาแล้วทจนี้ เมื่อสตินี้กําลังสติมันก็ตืน่นทำใจิตตื่นจิดมั่นคงจิดมั่นคงทีนี้จิตสติก็ควบคุมจิตได้จิตไม่สามารถนั้นแบบไปทางไหนได้จ่งเป็นมสมามาธิของต่อหามความเพลิดเพลินไสติก็ต่อฐามความเพ้อเพลิไปไหนไม่ได้เลยมันก็ต่ออยู่อย่างนั้นแหละแต่มันบางทีก็ไม่ได้ลตลอดไปนะบางทีเพราะว่าพวกเหล่านี้มันก็ตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขรั้งนะจ๊า บางครั้งมันก็ดีลงตัวมีกําลังเป็นที่บางครั้งก็กําลังมันก็ลดลงไปขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอันนี้คี่เรือการจำนวนระวังของเราเราต้องเรียนตั้งเหตุเมื่อไงถ้าวัดจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันก็เห็นเนะ่ยบางทีเรากําลังมันอ่อนแล้วก็หาวิธีทางให้มันมันตั้งมั่นให้มีมกําลังขึ้นมา มันก็ต้องมีส่วนประกอบว่าเออเอาทำเนะ่ส่วนนั้นส่วนนี้มาเอบรมจิตให้จิตมันมีกำลังขึ้นมาลูกหัวข้อธรรมขึ้นมาลูกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาลูกถึงใระเจ้าอนั้นงนี้ขึ้นมาถ้นนี้มันเพื่อให้จิตของเรามันตั้งมั่นมันก็มีอยู่บาเยาะคายตัวเองมันไม่มีรูปแบบแล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําอย่างไงให้จิตของเราเนี่ยมันมีกําลังใหามันรู้ความจริงให้มันความจริงแล้วต่อเนื่อง จิตของเราเบือยนเอาคายวางเดี๋ยวผเจ้าก็มาตรงนี้นะเ้านหองการจิงแล้วโไม่ได้เของเราแล้วมันจะให้มันเบียนไม่ไม่เบี่ยนเอมันจตไปไม่ไ้มันต้องเดียนเอาไ่ใของเราไม่งั้นเราจะเป็นหลงอยู่เอาป็นหลงได้ยังไงไม่ใช่ของเราม่นอยู่ของมันแต่ทีนี้มันมันไปทิ้งมันไม่ได้ทิ้งมันไม่ได้เราต้องอยู่กับมันอยู่กับมันก็อยู่ไปแมันก็ต้องรู้วิธีว่าเอ้ยต้องอยู่กันไปไม่ใช่ว่าจะไปทำลายมัน พอทำรายมันไม่ได้ทิ้งมันไม่ได้ต้องอยู่กับมันต่อไปจะอยู่กับมันอย่างที่ไม่มีทุกข์มันก็มาเป็นที่ไม่มีทุกข์พอจิตตั้งมันแล้วก็นี่มันต้องเรียนอรกยสัจสี่ลทีหนึ่ทีนี้อริยสัจสี่ที่เราอะไรพูดกันหมายว่าตามที่มันตามนกิเลสได้แต่ว่าตอนแรกๆก็เป็นมรรคเนี่ยแหละหมายว่าถ้ามันรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อย เหตนี่ไม่ใช่ของเรานี่จะเหตุนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เหวานี่จังทุกครั้งในตาหนึ่งเหตุนว่าเป็นบินทุกเหตุนี่าไม่มีสาละเหตุนีมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดแับเหตุนี่ยึดถือยึดมันถือมันไม่ได้หนงมันไม่ได้แล้วมันก็จะเบื่อหน่ายใควางมันต้องอาศัยการปฏิบัติมันถึงจะเบื่อหน่ายใควางได้เองกเนี่ยมันไม่เห็นความจริงแล้วมันก็ทายออกไปเรื่อยๆปล่อยเรื่อยๆวางเรื่อยๆ จุดนี้มันก็จะชัดขึ้นเร็วขึ้นแจ้งขึ้นชัดขึ้นเร็วขึ้นตามกําลังของจิตเราที่ปฏิบัติตามมิตรีที่เราปฏิบัติมาเนล่ยเางานอะไรก็แล้วแต่เราทําบ่อยทําบ่อยทํามากขึ้นความฉุนฉมานก็รู้คืออะไรเพราะการแข่งขันมันก็ต้องใช้ความชำนานคว า, า, ามเร็วหรือใครํานานเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับจิตฝนอบรมความฉุมนฉมานที่ฝุดมา มันก็อมาแสดงออกตอนนั้นนี่ก็เหมือนกันมันก็ต้องทำไปทาไปพยายามไปทีนี้ไปมันแต่กล้าขึ้นมาเมื่อไหร่ถึงมันสมบูรณ์เป็นที่ของมันมันยินดหัรเิริได้เลยบรรลุอริยสัจสีตอนมันบรรลุอริยสัจสีนี่หมายว่ามันฉับเกินในจิตแล้วทีนี้อริยนามแปดเนี่ยมันโดนเตะเป็นหนึ่งทุกอย่างอยู่ในจิตหมดแล้วนีคือทกมันทได้เห็นปิการทุกจริงๆอ่ะนี่คือทุกมันไม่มีไม่ใช่ของเรา ไม่อยู่ของมันอ่ะยึดมันถือมันมันไม่ได้แล้วเป็นที่มาของทุกในจิตคิดถึงทุกอย่างคือทุกความทุกของสิ่งมีชีวิตของสัตวคนหรือสัตว์เนือยเทวดาเรื่องเนี้ยมันมทิ้งอยู่ในจิตเพื่อนก็เลยสอนเรื่องเนี้สสีบ้า้เป็นไม้ภูเขามันมันมันหนึ่งทุกในจิตแต่ว่าเนียนคนสัต เทวดาพวกนี้มันมีทุกข์ในจิตก็สอนใหรู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่มันำให้เป็นทุกข์เนี่ยมันไม่มีมันม่เป็นสามจิริงเกิดขึ้นตัอยู่ดับไปนอวันเวลาเสี่อมชิ้นสลายไปคนเรานี่เกิดมาแล้งแก่ระหว่างนั้นมันก็มีเจ็บมีแก่แล้วก็สุดท้ายตายจะตายจะเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทีมันต้องเสี่อมชิ้นสลายด้วยเป็นทุกข์ในใจที่มันอยากตายด้วยมาเข้ามาจิตเราแบบนี้ เรอนเอก็เป็นสยองทุกขอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นความจริงมันนี้มันมาทําให้เป็นทุกข์ในจิตก็เลยต้องให้มาดูความจริงแต่ถ้าพระพุทธเจ้มีสอนได้หรือเปล่าแบบเนี้ยไม่มีคใมครหนึจะไปคิดเองได้แต่พระปัจเจ้า ก, ก็คิดได้อยู่แต่จะมาจับระบบระเบียบสอนชาวโลกเนี่ยให้ พ, พ้นทุกข์กันมากมาอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่มันก็เป็นไปไม่ได้เฉพาะตัว คือใดกฉพาบุคคลอะไรอย่างนั้นเนะ่ยไม่สามารถจัดระบบไ ด, ด้หรือ้าเอาว่าใครมาตามมาตั้งแต่ที่ตัดสั้นเด็นสะเดาทำเผยแผ่ธรรม ท, นทีนี้ตามมาถึงที่ประตูเลยอของพระอกค์ก็เนนะี่ยร่างกายก็เหมือนกันนะแต่สำคัญตรงจิตใจที่มุ่ง ม, ม, มัน่นบักบันเพื่อจะออกจากทุกข์เป็นตัดสั้ใดอยูน่นและก็ทางคำสอนของเราด้วยทางที่เร่ทปิบัติเ น, นี่ย ว่ามันมันทให้คนุบอ่ะโอ้เอามาให้แล้วหยิบยื่งให้เราแล้วมีเท่าไหร่ปฏิบัติเหมือนกันก็จะเป็เหมือนกันคุณ่าเอกแต่ทุกเอเหมือนกันเลยอกหรือไม่อจะนยืนอยู่ไม่ว่ต่เช่นกันแต่ไปก็ก็แล้วแต่เขาคงไปนิยามไปแล้วแต่ทำได้แต่ําสอนเนะ้อาหาเอามาวางเออ้นี่ไปอยู่ไร่างกายมาเนจินไม่จินในเรื่องของเธอนะแล้วก็จั จะอไม่กิน จ, จะเอารูหรือไม่เอาเดี๋ยเมื่อตามมาถึนขนาดนี้แนละ้วมันก็เพื่อ น, นี่แหละเพื่อ ก, ก ร, ระตุ้นให้มนุษย์ถึงทำมขึ้นมาเพื่อหาทางออกให้จะจิตเรามันมีทุกเนื้อมีทุกมันก็ไม่มีอะไรพาไปเกิดได้เพราะมันอะไรกนใส่ใ น, นจิตนี่มันไปเกิดก็คือ น, นี่แหละค้นจากกระต่ายสงสาร หรือถึงพันธุ์านเดียวกันหมดหมดความตื่นตังถึงพันธุ์านจิตไปถึงแล้วจิตเป็นพันธุ์านจิตไปถึงเหมือนไปถึงที่ใดที่หนึ่งตรงที่ไม่มีอะไรตื่นตั้งจิตได้นั่นแหละจิตเป็นพันธุ์านเพราะนั้นมันจําเป็นว่าสมาธิตั้งมั่นไหมมั่นแล้วแตตั้งมั่นมันต้องยังไงอ่มันเหมือนกับตาใจเปิดผล็นอะไรเกิดขึ้นรู้ รู้แล้วกเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่บับรไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตเห็นจิตนี้จิตเข้าใจด้วยตัวจิตเองแล้วจิตก็จะปล่อยวางได้ดูการพิสูจน์ทั้งหลายเธอจนเจริญสมาธิจนใจตั้มั่นเมื่อจิตใจตั้งมั่นแล้วจะรู้สภทธาธรรมตามความเป็นจริงที่เราที่พิจารณาสอนก็มาตรงนี้เลยสอนจิตใจสมาธิตั้งมั่นเ้วยะ้องตั้งมั่นด้วยต้องมีกําลังด้วยตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจึงจะรู้สัทธาธรรมตามความเป็นจริงรู้ว่าภายนอกมันทำงานยังไง ลัคนายาอยู่ของมันโดยขณะเกิดขึ้นของมันความไม่คิดจรงแต่งสัญญามาก็เรื่องของสัญญาฉังขานจริงแต่งเขนี่สังขานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวิญญาณไปรับรู้แล้วจะดับไปไม่ชัดก็ไม่เป็นไรให้นี้น่ะที่ของมันว่าวิญญาณตัวเนี้ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นต้องมีวิญญาณเข้าไปเห็นตลอดเข้าไปรู้และส่งต่อไปถ้าไปรู้และส่งต่อไปงอย่างเี้ขณะมาอย่างนี้ก็เป็นวิญญาณเนี้ยจะรู้โดยขณะ เรารู้อยู่ธนาแล้วถ้าหากว่วาอยูนายังอยู่มก็ไม่ก็หยุดตรงนั้นเนี่ยเขาก็ดูไปก่อนทนคิดว่ามีอะไรบ่นกี่ยวกับธนาไอ้จิบตัวนี้ก็วิ่งมารับมันก็วางอยู่ธนาเสี้ยมก็มารับรู้เรื่องหุ่นไปมันก็เลยเหมือนเราบางทีเหมือนอยู่ธนาดับไปดับไปจจิตคนจะรับอย่างหุ่นก็มีนี้บางทีมันดูอยู่ดูอยู่สกุลดูอยู่แต่นรื่องวางปไปโดยที่เราไม่ได้วางอืงอ่นก็เลยเมันเกิดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอยู่ไหมว่าตัวจิตเ เดอดหนของมันมันวางของมันเองเนี่ยแต่ที่เรายังไม่รู้อาการของมันก็เลยเหมือนกับมีอะไรเกิดขึ้นบางทีกัดมาเล้นก็มาดูอย่างไกลแต่ว่ามันชับขึ้นกว่เดิมก็มีเอ้ยเรเป็นอะไรไปนะมึงจนี้ทําไงมันชับขึ้นกว่เดิมเนี่ยเี่มันเหมือนกับว่ามันเป็นเอง่นนะอย่างมันก็จะทบทวนข้ามานเองเนี่ยความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นก็ได้เด็ดบางทีการยังเง่าพอมันก็เป็นเหมือนกับมันปะหามความลุ่มหลงตรงนี้ไป เหมือนมันสรุปเหมือนมันลงลงไปสรุป่เฮ้ยมันไม่ใช่ของเราน่ะมันเป็นภรไม่ตอนนั้นเนาะจิตเราต้องอยู่เฉยๆนะแต่ไปยินดียินไล่กับมันนะเดือเรื่องว่ามันเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายวางยีทิพาที่ลาขาเบื่อหน่ายคายกหนักคายกาหนักนี้ก็คือว่ามันไม่เป็นหองยินดีพอใจกับมัน จริงไม่มีความกำหนักเพีงแตรู้ว่าควรจะอยู่ยังเงทำยังไงต่อไปเพราะในคารปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ต้องมาตรงตรงนี้แหละตรงที่ พ, พัฟตุจัดตรงตัศรูแล้วก็พยายามที่จะสารวัของพระองคนเน์เรียนรู้ตามไปก็คือรู้ว่าคำนี้นี่แหละมันเป็นมันเป็นที่มาของอุปทาน ตัวขันห้าเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ตามธรรมชาติของมันแต่เราไม่รู้ไม่รู้าขันห้าเนี่ยที่มันประกอบกันเป็นกายกับจิตเรานีเป็นแค่ขันห้าแน้อรูปขันเวทนาขันกัญญาขันยังขันะขันเยอะนะขันแต่ที่ได้เห็นได้ยินได่ฟังยู่งแล้วมันรู้จักมันก็ไม่ใชมันไม่เห็นมันก็มีสมาธิใจตั้งนั่นแล้วเห็นเห็นขนห้ามันทางานอ่ย่างกายก็อยู่ของมันรูปขันเนี่ยอยู่ของมัน เวทนาเกิขึ้นก็เรื่องของมันถ้เน่านี้เราก็เล่น้วเนี่ยเล่ไปยเางแล้วเนี่ยจิตใจมันลมกคิดปงแต่งอะไรขึมาเรื่องของมันมันเป็นสัญญาบ้างสังขานบ้างวิญญาณจะรับนี้เราสะบัดไปของมันบทีมันดูเวทมาอยู่ดีๆดูอะไรอยู่ดีๆพอเสียงยิ้มขึ้นมามันยิ่มไปหาเสียงเนี่ยกเจนพัเลียวโอ้มันสบัดมันยิ้มไปอย่างนี้เองเนี่ยตอนที่มันยิ่มไปอ่มันก็ทุ้งนปไไอวที่มันกำลังดูอยู่นั่นไป ถ่ากําลังพอเห็นเห็นในขนาดนั้นเลยต่อหน้าต่อตาเห็นการทํางานขางวิญญาณโอ้วิญญาณมันทํางานเป็นขนาดขนาดนะแต่นั่นไม่เพีย ง, งพอที่จะสรุปได้ว่าตัวจิตนี่แหละมันทํางานเป็นขนาดขนาดเวลามันทํางานนะ่ะเรียกว่าวิญญาณบางคนเห็นได้จริงๆเห็นจิตนี่แหละมันทํางานแบบนั้นละ่ะ แบบที่ว่าไม่อะไรเกิดขึ้นมันไปดูไปดูไปดูไปดูอย่างเรียบนจนเหมือนกระแสไฟฟ้าจริงๆนี่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับแสของความเกิดดับของนั้นเองกัะแสชีวิตเหมือนกับแสของความเกิดดับเหมือนไฟฟ้าเวลามันไม่ค่อยติดเนี่ยมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ มันแหคือการการทำ ง, งานของขันห้าแต่ว่าเราไม่เห็นตรงนี้มันก็เลยเป็นเราแบบเหนียวแ น, น่นแล้วอย่างเนี่ยมัน ม, นมนันคนที่รู้แล้วนี่มันจริงไม่รู้จะพูดอย่างเงก็มันรู้แล้วอ่ะมันไม่ทุกข์คนที่ไม่รู้ก็โอเขายังไม่รู้เนี่จยจะทํบบายังไงอ่ะก็ไปทุกข์แต่ไปทีนี้เขามาปฏดบัติได้เริ่มรู้บ้างเขก็ยังดีนะเริ่มรู้บ้าง มน้นเข้ามาดูมากขึ้นแล้วอย่างน้อยก็ใกล้ทางของผู้เจ้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วสงสัยว่าความจิตมีกําลังแล้วเนี่ยมันเห็นทุกนิสิทุ ก, ทกแต่มันไข่เจแล้วมันก็ไม่สร้างหูงถึงทุกข์ขึ้นมามันมีปัญหาขึ้นมามันมีประทานขึ้นมาหรเต็มที่มันรู้นีนแ่แหละวิชาจะทํา ง, งานไม่ได้ เอาวิชาเข้าไปละวิชาเข้าไปแทนที่เพราะนั้นวิชาก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปมันก็เกิดบัดอีกเหมือนกันถ้านีวิชาก็เลยปแทนอวิชาก็ดับไปเราก็พยายามเพิ่มวิชาให้เกิดขึ้นก็คือว่าปฏิบัติตามคำสอนของญาณมันรู้มากนเรื่อยวิชาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันถึงจะประหามเอาวิชาได้แล้วก็วิมุตลุดพ้นเกิดเป็นวิชาและวิมุตขึ้นมาได้ แล้วความทุกข์ก็ดับไปจากจิตเลยมีโลดมีโ ล, โลทะมีว่าเลยว่าดับไปเลยไม่เกิดขึ้นอีกไม่เค ไ, ไปดับทุกข์ทุกข์กดับไม่เคทําูไม่เพอและทุกข์ดับไปเลยคาอผ้าโยโยยังอยู่ในขั้นไหนมันดับไปชั่วคราวก็มีเมี่ยอย่างถ้าเป็นเกษตรกรรมบุคคลอันนี้ดับได้มากขึ้นแล้วศิรุราคาร์มีดับมากขึ้น ก็กิเลสมันก็เบาบางอนาคา ม, มีดับเลยม่ขึ้นพระญาณก็ดับหมดเพราะนั้นทุกข์มันดับได้จืองเวลาพระพุทธเจ้าท่านก่ออุบัติขึ้นมาก็เพื่อท่านป่าชนาจะบับทุกข์ภายในพระทัยของพระองค์ยืนเมื่อเราตามมาเนี่ยเราจรึงทำความเข้าใจให้ดีว่าเออพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นมาทางนิจาะกาย เพื่อให้นาม ก, กายคือจิตปฏิบัติภารกิจให้มันรู้ความจริงสูงสุดคือนน ม, มันรู้รามกายไม่มีเจ ต, ตนไม่มีตัวาเราไม่มีของเราจนเนนมื่อ ม, ม, มันไม่ไม่เอาอะไรมาปรุงแต่งให้จิตเป็นทุกข์ไปต่อไปก็เลยดับทุกข์ภายในจิตได้ถือเรื่องศาสดาศัสาดาของเรารพั พดิดาของเราพระดิดาของเราอาจารย์ของเราปรมาจารย์ของเราท่านบัดทุกได้จริงคนทุกได้จริ ง, ททรงแล้พวกคนคว้าจนได้สร้างระบบคําสอนอย่างดีเลยนะโ อ, อ้ ห, นะย ห, หยุดื่นมาให้เราเนะแมว่อาหารสมบูรณ์ลุกเลยนะไม่ต้องไปหาใหม่ไม่ต้องไปหาใหม่เอาเนี้อเนื้อทานการทดสอบทดลองเรียบร้อยแล้ว แล้วปฏิบัติบรรลุเรียบร้อยแล้วกันกองมาดีที่สุดแล้วหยุดยื่นมาเลยจะเอาหรือไม่เอาหมายเขว่าอย่างนี้เลยนะเนี่ยท่านพิจารณาทรงไปอยู่ต้องถามอย่างนี้เลยแ่ะเอาหรือไม่เอาเนี่ยเราแต่หาคดเนี่ยกันกองมันอย่างดีแล้วจับระเบิดระเบียบอย่างดีแล้วคําสอนเนี่ยวางลำดับของการสอนบริบูรณ์สมบูรณ์หมดเจบแล้ว เขาจะหมักใจเป็นสามุกของเราจะทารกเอาหรือไม่เอาเพราะเราคือเอาเพราะว่าตามมาจนถึงสถานที่แห่ง น, นี้แล้วก็แสดง ว, ว่ามันก็เหมือนพระองค์นั่นแหละกว่าที่พระองค์มาถึงจังรู้ได้พระองค์สร้างบา ร, รมีมายาวนานจนอินทรีมันเกิดกล้าแล้วพร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมที่จะศัจรูธรรมในชาตนี้พระว่ามาประสูติที่นี่เราก็ตามมางอ๋อ ยิ่งพวกลกายของรไปสที่นี่หรอหลายองค์ทำเงินงถึงเจอดักทุกข์ภในทไทยแล้วพ้นจกัการเรื่องไใจเกิดได้เอาจะเอาที่ตามมาทำงานก็ไม่ตามมาเพื่อชิ้นนื้อเพื่กระตุ้นเตรียมตัวเหมือห้ใจได้ะจะได้ปฏิบัติตามนี้มันจริงไหมมันจริงแล้วเราไม่เชื่อห่ามสมัครใจปฏิบัติตามว่าวจะตามมาทมําม าบุนเนาะอย่างที่เขาก็เาะะนะขาก็จะไดนบุญบงเขาก็เขาก็ได้มีความศราเพ่พู น, น, นคกได้บ้างได้ปิติตามดได้บ้างเดี๋ยวเขาหายใจแล้วก็ไม่มีอะไรจิไมนะ่จิตมือไปกลับไปแต่ที่ไทยจะกลับไปเหมือนเดิมตอนน่อว่าจะเอาข้อนั้นเนี่ยหรือว่าเรามาแล้วตึ้นจิตของเราเนี่ยให้มันอาถารพล่าเลย ทำลอยเ็บบาดของพระ อ, องค์เอ้ยอย่างนี้คุ้มค่าเลยนะเนี่ยมันเป็นกับพระประสงค์ของพระ อ, องค์เลยอเล่เาเขาเหนื่ อ, อยากลำบากกว่าที่จะพ้ทางออกของจิตใจจนไม่มีทุกใบได้แล้วเราเป็นสาวกจะมาเอาบุญเหมือนกับเรารอรนองลอยอยู่เหมือนคนไม่รู้เ้าทำกั น, นมันใช่หรือได้ เราก็ไม่คุ้มค่ากัการมาที่ประเทศอินเดียเนี่ยนั่งรถมากันเหนื่ อ, อยยางลำบากเสียเงินเสียทองข้าน้ำขา่านทะเลมาอุตลุดเลยที่พักที่อาไปก็อดทนยอมสู้ทนแล้วถ้าพอใจแค่นั้นเองมันโอ้โหหมดท่าเลยนะแต่ถ้าว่าใครมาแล้วสามารถกะติ้นจิตของตนให้มองเห็นทางออกของชีวิตได้ แล้วมีความตั้งใจแน่ๆยังไงก็งเชิญได้ชาตนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะผู้เยาว์ก็ต้องหลายภพหลายชาติขอให้จิตของเอารามันมีจิตหมามันมีช่องทางแล้วมีคําตอบให้กับตัวเองได้แล้วแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าคุ้มค่าแล้วนี่ก็คืดมัดนี่แหละที่พูดมาทั้งหมดนี่จะจะต้องจเจริญเยียมมัดมีกำลังพอแล้ว มันลือเรื่อได้เห็นว่านี้คือทุกเหตุแห่งทุกจุกดบับไปทุกกระดับไปจากจิตไปจ น, นลุกขที่มาทางปฏิบัติจเจริญให้หยิ่งเจริญให้มากก็คือการปฏิบัติตั้งแต่การจัดวมมีสติเบื้องต้นจนกระ ท, ทั่งจิตตั้งมัน่นรู้ความจริงได้ปล่อยวางได้บรรลือเยื่อง ส, สเนี่ยประมวลข้อคามตรงนี้คือบรรลือเรสติสันก็มีสี่ครั้ง ครั้งที่หนึ่งก็คือบรรลุพระเจ้ดา บ, บันครั้งที่สองก็พระสกิตาคามีพานาคามีลัาหนบางคนก็อยาเอาบางคนทำไม่ฟังาปับบรรลุกระลังหันเลยอ่ะแต่มีจริงๆนะบรรลุพระลังหันเลยอ่ะแต่แล้วม่ผ่านในอะไรระยะสี่สี่ครั้งแตบสี่ครั้งเหมือนกันเหมือนขึ้นบนใบสี่ทนบางคนก็กล้าแรองกล้าุ๊๊บ ถึเลยบางคนเขาเจ้าก้าวคือจะขั้นที่หนึ่งก็ต้องพักสักสองเก็บกำลังพอกาลังพอแล้วก้าขั้นที่สองพักมีกำลังแล้วขั้นที่สามีกําลังแล้วขั้นที่สี่มันก็ต่างกันแบบนี้แต่ว่ามันต้องสี่ขั้นเหมือนกันเต่าสี่ครั้งในสี่คร้งพวกกระโดดันต้องมีมียานสองอย่างคือ รู้อันนี้สัจยาณนี้คือทุกข์และกิจยาณก็คือให้กําหนดรู้แล้วก็อริญญารู้แล้วยุ้ยคือสมุทยัยให้ละลวแล้วแต่ละสมุทัยเนี่ยเวลาปฏิบัติจริงๆอะ่ะรู้เป็นสมุทัยไม่ก็เรานะมันรู้อะไรเป่งทุกข์กันดูมันก็คือดูทุกข์นั่นแหละดูมัน พอเห็นทุกพัดเยืนแล้วสมุทัยก็บบดับไปด้วยกันนะมันจงอยู่ในจิตเป็นเรื่องของจิตเลยก็เป็นนิโรธขึ้นมาทุกแบบมรคก็คือการปฏิบัติขนาดนั้นแหละแต่ว่าอนุโลมเราที่ปฏิบัติมาเป็นมักเป็นทางเนี่อยอายรคเมืองแปดเรื่องมาจนถึงขั้นบนรรลุเยสัชีนี่ก็คือว่า มันเป็นผลของมันแล้วเนี่ยบรรลุมากแล้วนี่ยีรบรรลุรยสะยสสี่แล้วต้องดำเนินกิจการด้วยโอกาสสุดท้ายนะอย่างเดียวไราจะหยุดละเก็บตัวนะดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายนะีย่ยวันนี้เราได้มานั่งปฏิบัติ ในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงกระสุนเมื่อเราตามมาถึงสถานที่ก่อกำเนิดลูกปกกายหรือพรวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายศิษถากุมารที่ออกมาแล้วก็ตั้งชื่อส ม, มุดยา เป็นเจ้าชายศิษฏกุมารก็เหมือนเราทุกคนก็มีชื่อสมมติเลือกชื่อนี้ชื่อนี้มีรูกร่างหน้าตาอย่างนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ตั้งขึ้นมนาทีหลังโธ่ก็อยอยู่เทคลาว่าเจนทรงพระชนมายุได้ยี่สิบเก้าพัรษาอายุยี่สิบเก้าปีออกบวช เราก็อยู่มาเจนอายุขนาดนี้ก็ได้มาทีนี่มันก็เนื่อชีวิตมันก็เป็นไปดำเนินไปมันเป็นเรื่องของชีวิตของแต่ละคนแต่ทีนี้ของเราเนี่ยมันมาเดินตามทางพระพุทธเจ้าแบบเนี้ยคือตามมาดูเราที่ประสูตยเราก็พอใจที่จะมาดูาพอพระองค์นเนือยว่าตัดสรู้แล้วเนี่ยไม่มีทุกข์แล้วเนี่ยประสูตย์ตรงไหนก็ตามมาดู มาดูแล้วก็ได้ข้อคิดไหมเนี่ยมันมันทัง้งคำตรงนี้นะมันได้ข้อคิดไหมข้อคิดทําให้เล้ลึกถึงธรรมของวิญเจ้าขึ้นมาไหมแล้วลึกถึงความจริงของชีวิตขึ้นมาไหมเราจะหาทางหลุดพ้นไปเส้นเดียวแบบที่พระองคอ์หลุดพ้นจากทุกไปแล้วเนี่ยเราจะเอาไหมถ้าอย่างนี้แล้วก็คุ้มค่าจริงๆเจิอคุ้มเลยจริงๆเลยยิงกับใครมาถึงแล้วก็เอาละ่ะรู้เลยชั้นแล้ว องค์ก็ไปสูดรก็ขอดออกมาล่ะตรง น, นี้แหละเราก็ขอดออกมาเหมือนกันแ ล, และจิตใจของเราเนี่ยมันมุ่งไหมที่จะทําตามอย่างที่พระองค์ทรงประทำมาไหมเออกจากทุกแล้วเหมือนกันจะประกาศว่าเนี่ยฉันนั่นมันออกจากทุกแล้วนะด้วยวิธีการอย่างนี้อย่างนี้นะเอาเหมาเอาเหมา พระองค์ยังทรงมอยู่ต้องถามแม่เม่นเลยมืนกับพระองค์ทรงแสดงธรรมล่ะแสดงธรามจบแล้วอ่ะสมควรหรือยังที่พระเจดเดือนม่ทายกำหนกเดือนม่การยือนไหวใจเกิดในกระแตองศาลนี้ทาที่ได้ฟังธรรมบ่สมควรแล้วพราเจ้าข้าสมควรก็มาปฏิบัติอยู่ปฏิบัติจะปฏิบัติทางที่พระองค์ทงปราแล้และอาดยมักเมืองแต่เดียวกัน จะพูดว่าจะเป็นสติปัญสีก็คือมรรนั้นแหละแต่ว่าเมื่อพูดเมื่อ่าสติปัญสีทรงก็สอนเหมือนกันเมื่อสติปัญสีสมบูรณ์นันแสดงว่าสติสตนที่แรกมันยังอ่อนอยู่มันยังไม่สมบูรณ์จะเริ่สติปฏิบัติมันยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องปฏิบัติต่อไปถ้าสติปัญสีสมบูรณ์โคตรเชิงเจ็บสมบูรณ์ก็หมายว่าธรรมะมันสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยเมื่อโคตเจ็สมบูรณ์วิชาและวินุตก็สมบูรณ์ ผมก็ไปตามลำดับอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติมันยังไม่สมบูรณ์ครั้แรกมันก็ยังได้เล็กๆน้อยๆไดบ้างไมด้บ้างแล้วเราอยากให้บรรุธรรมมันเป็นไปได้ท่านก็บอกแล้วสติปัญญาตืต้องเจริญให้มากทำให้มากเมื่อสติปัญญาตื่นสมบูรณ์โพธิเจ็บจะสมบูรณ์โพธินเจ็ก็ต้องให้มันเปดีๆต้องเป็บต่อไปดโคนเจ็สมบูรณ์วิชาและวิมุตติก็จะสมบูรณ์เมื่ท่านก็สอ ย่อๆว่ามีภาพตลอดขอพระ อ, องค์ผู้จเจริญขอพระ อ, องค์ทรงประทานโอกาสข้าพเจ้าเนี่ยอยากฟังเลยว่าทำย่อๆเมื่อได้ฟังแล้วข้าพระ อ, องค์จะหลีกเล่นก็จะอยู่ผู้เดียวจะทําความเทียนด้วยไม่ประมาทด้วยใจบดบเดียวอยู่เถอดก็คือไปบอกผู้เจ้าเลยว่าเขา้องทําฟังทำมันจะออกไปมีส่พี่ดจเดียวไม่ประมาทหึ่งก็ผู้เดียวมุ่งปฏิบัติอย่างเรียพผูเจ้าก็ต่อให้เทอมีศีล แต่มีพื้นฐานจิตที่ดีด้วยไหพื้นฐานจิตนี่สำคัญนะถ้าพื้นฐานจิตไม่ดีมันไปไม่ได้นะเดี๋ยอนั้นมาขวางนี่มาขวางแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ได้ก็เพราะการกระทำของเรามันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นไปเพื่อทําให้จิตใจเยมันดีฉะนั้นพื้นฐานจิตต้องดีมีการฝึกสมามีการให้ทานบ้ามีการรักษาศีลมีเนืตาต่อกันแบ่งปันกันอย่เงี้ยจิตมันก็มีกําลังมาที่นี้เติบโตขึ้น่งกันและกันอย่างเงี้ยเนี่ยพื้นฐานจิตมันก็ดีขึ้นมานิติของการกระทำของเราสบายใจมิติคำพ นิจิ้งความคิดของเราสะเบาใจความเห็นชำละความหุนไม่เจงความหุนก็ถูกตรงด้วยก็คือเคื่อตามที่ผู้เจ้าสอนนั่นแหละการให้ทานจะมีผลนะการบูชาพระเจ้าทำมาสงบูชาผู้วีปลาคุณมันมีผลนะการชื่วยเหลือเกี่ยวคุณสาขานะประโยชน์อะไรก็มีผลนะเครื่องในเรื่องกรรมมนะีผลของกรรมมีผลนะมนุษย์ก็ไปเกิดเรื่องอื่นได้นะโลกอืน่นสัตว์อื่นก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้นะพ่อแม่มีจริงนะมีคุณจริงนะแม่ก็มีคุณ แม่าถ้กำเนิดเราจริงมีคุณจริงจริงกื่อันแม่พ่อก็มีคุณจริงเพราะให้เกเนิดเรามามีเศษทำใหเรากาเนิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นอะไรเนี่ยพงศ์กระสานพงศ์ประดิการมีจริงนะ้ะจัดเนี่ยตายแล้วก็เกิดเป็นลูกล่างนี่ยตาโตขึ้นมาทันทีเลยมีอแต่เชื่ อ, อ, อ, อ, อย่างนี้ด้วยพ่อมีอยู่จริงนั้นเกี่ยวข้องเขาไม่ถูกต้องใครไมเ่เชื่อเทวดามีจริงเทวดาก็เหห่งหางออกไปมีห่าออกไปไม่ค่อยชื่อหือเชือกลุน่ะเพราะว่าเทวดาก็มีนะที่เชื่อแต่มนุษย์ก็เยอะ เราก็ต้องความเห็นมันเต็งด้วยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งเรีย้อมถูกต้องแมต้องเชื่อด้วยว่าพระพุทธเจ้าที่อบัตินมและตัสดุดนเอสามารถระทานคำสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้มันมีจริงเพราะเราพบบริบูรณ์สมบูรณ์เลยเนี่ยอแล้วก็อ้าวจากนั้นให้โคเจริญสิรานสีเ่ก็ต้องมาปฏิบัติอีกฐานจิดีแล้วก็สิรวานสีเมื่อสิิสเจริญให้มากทำให้มากสราสสมบูรณ์จจสมบูรณ์โอจสมบูรณ์วิชาลมม มันมีทางออกไปหมดเลยทีนี้เรามาสำรวจตรวจสอบดอูว่าของเรามันตรงไหมทางของเรามันตรงไหมถ้าตรงแล้วเจริญอย่างเดียวเลยผู้ใหญ่บอกขอให้สุขทางมีความเห็นตรงปฏิบัติตรงแล้วจะเจริญขึ้นถ้ามันไม่เจริญขึ้นแสดง ว, ว่าการปฏิบัติของเราไม่ตรงความเห็นอาจจะผิดทลาดไปความอยากอาจจะขอดงำจิตเพียนแระเทลียนเพราความอยากอยากให้มันผลมันเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ได้ต้องเคียรสร้างเหตุนั่นมันต้องสําเรวจตรวจสอบทุกขั้นตอนให้มันถูกตรงหมดทีนี้มันจะไปเองเลยมีสติแล้วก็อพอใจสร้างพอใจเจริญสติเมื่อเจริญสติสติมันก็เจริญขึ้นเองไม่ต้องไปยากนี่มันมีหลักอยู่เนี่ยทุกอย่างมันจะเหตุผลมันจะเหตุต้องทําเหตุให้ดีผลมันก็เกิเกิดขึ้นเองไม่ต้องอยากสั่งเองไม่หยุดได้ปัญญาเดี๋ยวจิตมีกําลังขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมา ตาใจมันเปิดมานเห็นอึองล้วเข้าใจเองเนี่ยเราเข้าใจตรงอย่างนี้แล้วเราก็ปฏิบัติเรื่อไปสริงแต่ถ้าเข้าใจอะไรหมดแนะ้แต่ไม่ปฏิบัติเปีเยบเท้าเนี่ยอยากนอนแม้ไส้บรรลุธรรมเลยอ่ะเอามันก็ไม่ได้เพราะทำของพระองค์นเนี่ยต้องเพีย้ยนท่านบอกอุะวาธีเป็นท่านสอนที่ต้องอาศัยความเพียนอุยะอุยาถีนีเหตุมีผลยองรับหมดสร้างเหตุผลก็ตามมา กรรมเ่วานที่กรรมหลงมีอทำหลวงมีอปฏิบัติเชื่อเรื่องกรรมในผลของกรรมถ้าเราสำรวจตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สมบูรณ์แล้วอ่าทีนี้เราก็ต่อาจทีนี้เราก็ฟัาเรื่องจิตใจนะแล้วก็จะย้ําล่ะให้ไปบูชาพระพุทธเจ้าจริงจริจ้งแจ้ ง, จ ง, จงด้วยจิตของเราก็เราปฏิบัติบูชาแล้วล่ะทั้งกายทั้งใจแล้วเป็นที่ละ แล้วก็ทำตามพระองค์สอนเนี่ยเดี๋ยวเอาหมอกกายถวายชีวิตแด่พระองค์เปนเลยวางลองวางถวายพิธบูชาทำบ้านบูชาสังฆบูชาบ้างวางแล้วจิตเราเป็นยังไงก็รองวางดูเฉยๆนี่แหละขอบพระองค์กระแสนล้ว่าไอ้มันเป็นแค่ขันหานะร่างกายเนียลูกประคันเนี่ยายกับลูกหลายๆลูกมารวมกันมันไม่ได้เป็นร่างกายเป็นทางอย่นี้ตลอดไปไม่ได้มันมันประกอบเันขึ้นมาที่จริงของประกอบกันขึ้นมา เหมือนรถนี่ละประกอบเป็นชึ้นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆๆปๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆึๆๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเอาๆๆๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ นังนานต้เกิดหรือว่าโดนอะไรขึ้นมามันมีฝมฝนนม่นนีมมมมมม่ก็จะมีขนาน้เกิดขึ้นในทางการก็มาอยู่ตลอดไปลรกเดี๋วทางสิตก็มีเพรจิตของเราเนี่ยมันก็ไม่รู้พระไม่รู้ก็ไปเอาอะไรต่ออะไรมาเป็นเดดขนาขึ้นมาเป็นแต่งขึ้นมาเป็นสังขามกับปูแต่งขึ้นมามันจป็นแต่ขึ้นมาที่หลังของลมล้ลงลอหมอดจะไม่มีเเวตนไม่มีอะไรท้าวมันจริงจังหกมั่งขอ ง, อ ง, งปุแต่งจรงหรืเป็นร่างขึ้นมาได้ยังไง ก็เสกเกิดดับเหมือนนั้นเพื่ความคิดทั้งหลายนี่มันมันก็มาจากการปรุงแตงมันก็เป็นมันในรูปของความคิดนั่แหละคิดแล้วไม่นด่ายดังใจกลัวกวงวลยันไรขึ้นมาเป็นทุกข์ได้มันก็แค่นี้เองเนี่ยก็มันก็ปรุงกต่งขึ้นมาแล้วก็รู้รู้รู้มันเพื่อรู้ในใจเป็นปกตินี้แหละเหมือนก็ดับเหมก็เข้าหาทางของวิจญทั้งหมดอ่ะถ้ารู้ทีไรสุดท้ายเลยตายเป็นธรรมะหมดเลยทุกข์กด ธรรมะฝึกก็เป็นธรรมะได้อะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นธรรมะไ ด, มรรมมด้เป็นเครื่องมือฝกจิตเราหมด เ, เป็นระยะสติหมดเลยเป็นมักตะเรียมมักดวงแปดหมดเลยโหถ้าฉลาดแล้วเป็นทางออกจากทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าไม่ฉลาดมีอจะทุกข์จะกุ้มรุมเราตอนนี้สตีปัญญาอฏิบัติไปแล้วจะเพิ่มกาลังของธรรมะขึ้นมาเพิ่มวิชาขึ้นมา ข้าพเจ้าติตามนั้นรู้ไม่เข้าใจก็ด่งปฏิบัติยิ่งหลงไปหลงไปจึงตจองเข้ามาให้มันถูกต้องถูกทางอยาตั้งใจข้าพเจ้าจะพยายามประพฤตปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปขอพระเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งาแทางตลอดในอายุสัจธรรม เจริญพ้นจากทุกนืวตต์สงสารเข้าถึงคณิธพานด้วยเถิดไปที่เดียวกันเลยกับพระพุทธเจ้าแล้ก็ตั้งใจอยู่ที่บุญนะขออำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์ทรงเป็นบันดาลบุนของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้สญาติเทวดาที่รักษาและนายวินของข้าพเจา้าให้สยญาติเทวดาที่รักษาและนายวินของข่อของแม่สามีพันยาลูกปลานพี่น้อง ญาติสนิทผ the ู้มิพระคุณของชาวบ้านชาให้แสดงยินยันทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้เดินยันทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้เดินยิญญานทั้งหลายที่ขอชื่อเลื้ยเกื่ยกูลพระพุทธศาสนาที่อเลื้ยเกื่ยกูลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมดินยินยันทั้งหลายที่กําลังต้องการดึงอยู่ในขณะนี้ทุกสันทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของขาวบ้านชาวเบืเถิดเดินยินยันทั้งหลายที่ต้องการชื่อเลื้ยเกื่ยกูลประเทศไทย ก็ขอให้มารับบุญแล้วก็หาทางออกให้แก่ประทศชาติบ้านเมืองของขา้าพเจ้าด้วยเถิดขอท่านท่านหลายจงยินดีนนรับอาบุญของขา้าพเจ้าให้เพียงพอแก่ความต้องการตลอดเวลาและตลอดไปแล้วก็เมื่อรับบุญแล้วก็ให้มาช่วยเหลือเพื่อกูลขา้าพเจ้าข้าพเจ้าท่านชินใดข็ขอให้มีแต่ความราบรื่นมีความสําเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยิ่งยินขึ้นไปการเดินทางก็ให้มีความปลอดภัยราบรื่นเรียบร้อยลงตัวแต่จะขอให้ธรรมะเจริญ ในใ จ, จิดใจของแต่ละคนให้ยิ่งขึ้นไปด้วยเติ